ขอกับบูชาพรัตนตรัยขอกับบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความรบมยายังพร ะ, รพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์อัจฉริยข้อโอกาสเพื่อนสาตวธมิกจเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะเอวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ นที่5มีนาคมนะพุทธศักราช 2,559 อสาลองสำรวจตรวจสอบตัวเองนะตอนนี้ตื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังง่วงเงาหานอนอยู่นะโดยเฉพาะนักศึกษานาะที่มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราชาววัดป่าสุกโต วันนี้ก็เป็นวันที่2องนะของการม า, าร่วมกันนะที่จะเรียนรูนะ้ความจริงของชีวิตนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะต้องไปทํางานทางด้านกฎหมายนะเป็นเรื่องสําคัญเป็นว่าที่บัณฑิตก็ไดนะ้ตอนนี้อีกไม่นานเราก็จะเป็นบัณฑิตแล้ว เป็นบัณฑิตในทางกฎหมายนิติศาสตร์บัณฑิตใช่โดยพ้อยยิ่งตอนนี้เรามีความรู้เป็นเครื่องมือนในการที่จะไปประกอบอาชีพในการที่จะไปเลี้ยงชีวิตในการที่จะไปทำประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับสังคมซึ่ง ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะนักกฎหมายต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมเมื่อใดก็ตามที่นักกฎหมายมีความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมก็จะอำนวยความถูก ต, ตามธรรมน่ะเรียกว่ายุติด้วยธรรมนะที่เรียกว่ายุติธรรมนะที่เรามีเครื่องหมายก็คือตาช่างใช่ไหม ตาช่างที่เที่ยงตรงนะไม่ใช่ตาช่างที่เอียงนะซึ่งผู้ที่ใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมก็จำมนวยประโยชน์สุขนะให้กับสังคมนะอยู่กันด้วยความสงบสุขนะมีความผาสุกแต่ไม่ได้ก็ตามนะผู้ที่ใช้กฎหมายก็ดีผู้รักษากฎหมายก็ดี หรือผู้ที่ตรากฎหมายก็ดีไม่มีความสุดจริตเที่ยงธรรมปัญหาเกิดขึ้นแต่ช่างเอียงทันทีความวุ่นวายเดือดร้อนในสังคมก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่ในสังคมไทยเราก็ดีในสังคมโลกก็ดีนะผู้ที่รักษากฎหมายผู้ที่ ใช้กฎหมายผู้ที่ตากฎหมายถ้าใช้โดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมนะก็จะทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายหมดนะมีการคอรัปชันมีการติดสินบาทค้าสินบนทำคนผิดให้ถูกก็ได้ทำคนถูกให้ผิดก็ไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้เห็นกันอยู่ หรือแม้แต่คดีความที่ตัดสินไปแล้วสุดท้ายมาเลื่อฟื้นกันใหม่ว่าไม่ผิดนะจับตัวคนร้ายผิดนะมีการจับแพะอะไรอย่างเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายก็ดีหรือการที่ผู้รักษากฎหมายก็ดีนะไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรมก็ทาให้เกิดความ สับสนวุ่นวายไปหมดแล้วก็ไปกระทบกระเทือนกับความคิดความเชื่อของคนในสังคมว่าคนมีเงินเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยมีมาแล้วแล้วก็จะมีต่อไปถ้าตาบใจ ท, ที่เราไม่เห็นถึงความสุจริตเที่ยงธรรม นะซึ่งอันนี้เป็นคุณธรรมเป็นจรรยาบันนะของนักกฎหมายเมื่อพูดถึงนักกฎหมายนี่โดยเฉพาะคนที่เรียนทางด้านนิติศาสตร์นี่ถือว่าในยุคนี้นะเป็นที่นิยมสมัยที่จตมาเป็นนักศึกษาเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วนนิติศาสตร์นี่ไม่ใช่เป็นคณะยอดนิยมนะแพทย์นะเภสัตนะเป็นคณะยอดนิยม แต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่านิติศาสตร์รัฐศาสตร์นี่เป็นยอดนิยมอันหนึง่งนะเป็นวิชาชีพที่เราสามารถที่จะใช้เลี้ยงตัวเราเองได้แล้วก็ทาประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีคนที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตในทางโลกนะก็คือคนที่จบปริญญาตรีนะเรียกว่าเป็นบัณฑิตในทางโลกมีความรู้มีวิชาชีพ แต่บัณฑิตในทางธรรมเนี่ยแต่ก็คือผู้ที่ประพฤติกายวาจาใจที่สุจริตเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นบันณฑิตทางโลกอย่างเดียวมันคงไม่สมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นบันณฑิตในทางธรรมด้วยอันนี้จะทำให้เป็นบันณฑิตที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก การศึกษาของไทยเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เราย้ายการศึกษาจากในวัดไปอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเราก็ไปมุ่งเน้นแต่วิชาทีพนะแต่วิชาธรรมะวิชาชีวิตเนี่ยเราแทบจะไม่ก็เห็นความสำคัญกันนะก็เพียงแต่ท่องบนจดจำหลักธรรมแต่ว่าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ การศึกษาของเราไม่สมบูรณ์อาจารย์พุทธทาสเคยพูดไว้ว่าการศึกษาหมาหางด้วนนะก็คือมุ่งแต่ให้เราเรียนรู้วิชาการวิชาชีพแต่ขาดวิชาชีวิตนะวิชาชีวิตก็คือวิชาที่เรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราเรื่องคุณงามความดีนะคุณธรรมจริยธรรม ปรมาทสภาวธรรมเพราะฉะนั้นการที่ภาควิชานิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำนักศึกษามาที่วัดป่าสุกโตและก็เป็นการเติมส่วนที่ขาดแม้ว่าจะไม่เต็มที่นักเนื่องจากเวลาที่มีอาจจะจำกัดงบประมาณจำกัดนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเนาะ เป็นการเริ่มต้นจุดประกายทางด้านปัญญาแม้ว่าจะมันจะไม่สว่างสวัยเต็มที่นริบลีบ้างก็ยังดีนดีกว่าไม่ทําเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมทําให้คําว่าบัณฑิตเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แบบไม่ใช่บัณฑิตเพียงแค่วิชาทีพวิชาความรู้ ทางวิชาการแต่ให้เป็นวิชาชีวิตนะที่เราจะ <c oughs> ใช้เป็นเครื่องควบคุม <c oughs> คุณธรรมจริยธรรมปรัชิตาสภาวธรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องควบคุมความรู้ที่เรามนะีใช้ความรู้นั้นไปในทางที่ สุจริตเที่ยงธรรมนะโดยเฉพออาะยงยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเนี่ยกฎหมายนี่ถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญนะถ้าเราไปใช้ถูกมันก็ดีถ้าใช้ไม่ถูกก็จะทําให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาทีนี้คนที่จะมีความสุดจริตเที่ยงธรรมนั้นก็หมายถึงว่าในใจเนี่ยต้องมีคุณนะต้องมีธรมนะธรมนะธรรมคุณธรรมจริยธรมรมปรมัตตสภาวะธรรม โดยปกติธรรมดา <c oughs> ของคนเราเนี่ยนะก็มีทั้งในส่วนที่เป็นความดีความไม่ดีนะซึ่งตรงเนี้ยต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรชั่วนะเดี๋ยวนี้บางทีเราก็ไม่แค่รู้กันเราเอาเงิน เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งนะบางคนก็ <c oughs> เสนอผลประโยชน์ให้กับผู้พิพากษาผู้ตัดสินนะผู้พิพากษาผู้ตัดสินที่ยังลุ่มหลงเห็นแก่เงินทองเห็นแก่ผลประโยชน์ก็ตัดสินไปในทางที่ผิดจากธํานองของธรรมทำให้คนที่ติดสินบนนั้ น, นาสามารถที่จะทาผิดให้ถูกได้ ก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนพุ่นวายไปหมดจนต้องมีการออกกฎหมายตอนนี้รัฐธรรมนูญฉะบับใหม่บอกว่าจะบับปราโกง เ, ออเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้กันไปตลอดเวลานะเพราะว่าคนไม่มีธรรมะในจิตใจนะคนนั้นเห็นแก่เรื่องผลประโยชน์เรื่องของวัตถุเงินทอง เขาคิดว say like right? ่า right? สิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่จะบันดาลความสุขให้ถึงกับสมัยนึงบอกว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขใช่ไหมสมัยจอมพลสฤษดิ์ซึ่งปัจจุบันเนี้หลายคนก็คิดว่าอย่างนั้นอาจารย์เปิศานนั้นพูดไว้ดีนะท่านบอกว่าเงินเนี่ยไม่สามารถจะซื้อความสุขได้แต่เช่าความสุขได้เออน่าคิดนะเช่าความสุขก็คือใช้ความสุข เรามีเงินไปซื้อความสุขจากการเที่ยวการกินการเล่นมันก็ได้ชั่วคราวทั้นแหละแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักกับภาวะปกติในจิตใจขณะที่เรานั่งฟังทมอยู่ในเวลานี้ให้สังเกตนะถ้าเราไม่งกง่วงเราไม่ซึ้งซึมจิตใจเราตื่นตื่นนิดนิดหน่นอย่อยก็ยังดีนะอันนั้นอะ เป็นภาวะที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่มันเป็นปกติอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวสอดส่องลงไปเรามีตาเนื้อที่จะเรียนรู้โลกข้างนอกแล้วตาในก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยเรียนรู้เข้าไปในจิตในใจของเราเมื่อสักครู่นี้เราสาธยายมนถ้าเรามีใจตักหนักแน่นตั้งมั่น พิจารณาไปเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเช้านี้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราพูดด้วยสิ่งที่ดีๆลรเลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาบทธรรมะที่เป็นประโยชน์สุดท้ายมีการแผ่เมตตาให้กับสัมพัสสัตว์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นคุณงามความดีคุณงามความดีจะทำให้จิตใจระเบิกบานเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจ หลังจากสวดมนต์เสร็จเนี่ยเราสังเกตเลยใจเราจะสงบสบายเบิกบานแช่มชื่นมีปิติประโมทมีความสุขสุขชนิดนี้แหละเป็นสุขที่แท้จริงแต่เราไม่เคยรู้จักกันเราไปวิ่งหาความสุขจากข้างนอกจากวัตถุจากเงินทองจากบุคคลจากทรัพย์สินเงินทองต่างๆซึ่งของเหล่านั้นเนี่ย มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงได้คนที่เคยรักกลับชังได้คนที่เคยชังกลับรักได้เงินที่มีอยู่วันหนึ่งมันก็หายไปสิ่งที่เรามีก็อาจจะไม่มีได้แต่ความสุขที่เราสัมผัสได้ในขณะนี้ในเวลานี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอยู่แล้วเพียงแต่เราหลงลืมไปเราไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้ การมาจัดจับสัมผัสภาวะปกติในจิตใจได้ตรงนี้มันต้องอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวการมาที่นี่เนี่ย <c oughs> เราจะมาทำเรื่องนี้ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวจะทำให้เราสัมผัสกับความสุขที่ประณีตความสุขที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเราและความสุขนี่แหละที่หล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติที่มานั่งอยู่ตอนนี้ ทิวิที่ไม่ปกติคือทีวิตที่ลุ่มหลงนะลุ่มหลงไปในความคิดในอารมณ์ในทรัพย์ในผลประโยชน์ต่างๆนะโดยที่เราหลงลืมคุณงามความดีความเป็นปกติในจิตใน ใ, นใจของเรานะทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเรียกว่าไม่ยุติด้วยธรรมนะในใจของเราไม่ยุติด้วยธรรมถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะ มันก็จะยุติด้วยธรรมมีความสงบประงับเป็นปกติความสงบนี้มีสองอย่างนะ 1. ความสงบแบบไม่รู้คือนั่งนิ่งสงบหลับตาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย น, นี่ก็เรียกว่าสงบแบบไม่รู้เรื่องเราไม่เอาเราสงบแบบตื่นรู้ขณะที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เราฟังรู้เรื่องบางคนอาจจะยกไม้ยกมือก็รู้แต่คนที่มาใหม่ๆยังไม่ต้องยกหรอก นั่งฟังตั้งใจฟังมีจิตใจที่ตั้งมัน่นเที่ยงตรงหนักแน่นมัน่นคงนี่คือสมาธิเป็นความสงบนะที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบหลังจากตัสรู้ซึ่งท่านก็เคยไปสัมผัสกับความสงบแบบลือสีนะไปเรียนกับฤือสีอาลาลาบทอุทกดาบทเป็นความสง บ, บแบบนิ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยที่เรามาวัดป่าสุโตโตในครั้งนี้นด้วยการมองเห็นการไกลของคณะอาจารย์อาจารย์เนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะคงจะเห็นแล้วล ะ, ละว่าลูกศิษย์ของเรามีความรู้มีวิชาทีที่จะไปเลี้ยงตัวเองได้แต่ในการออกไปสู่โลกข้างนอกนั้นมันไม่เหมือนตอนที่เราเรียน มันมีหลายเรื่องที่จะดึงให้เราไปทำในทางที่ไม่ถูกไม่ควรได้ยิ่งโลกปัจจุบันนี้ผลประโยชน์มันเยอะแยะนะการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเขาก็จะใส่ช่องทางของกฎหมายนี่แหละในการที่จะหาผลประโยชน์ทั้งในทางที่ถูกที่ควรก็ดีหรือไม่ถูกไม่ควรก็ดีถ้าเราจิตใจไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเราก็จะเอ็นเอียงไป ซึ่งตรงนี้แหละมันจะทำให้เกิดผลเสียหายได้เหมือนยังกับมีทนายความคนหนึ่งเอาสินบนถุงขนมไปให้กับผู้พิพากษาเพื่อที่จะติดสินบนให้พลิกคดีเป็นไปในทางที่ตัวเองแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าผู้พิพากษาท่านไม่เล่นด้วยจนถึงกับดำเนินคดีกับทนายความคนนั้น ติดคุกไปเลยนะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราได้เห็นนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเรามาฝึกเรื่องเนี้ยฝึกเรื่องสตินะโดยท่านจันทรงสินก็ได้ให้สูตรสำเร็จง่ายๆใจมีสติอยู่กับกายนี่คือสร้างเหตุเมื่อใจมีสติอยู่กับกายแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือใจมันปกติ อย่างขนาที่เรานั่งอยูงเนี้ยปกติใช่ไหมเฉยๆใช่ไหมเฉยนี่เฉยแบบรู้นะไม่เฉยแบบซื่อบื้อนะเฉยตื่นรู้เป็นเฉยที่มีปัญญาสภาพเฉยหรือปกติเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าศีลเป็นศีลในจิตในใจไม่ใช่ศีลที่ไปขอกับพระไม่ใช่ศีลไปสมาทานเมื่อเรามีจิตใจที่เป็นปกติเป็นศีลแล้วเนี่ยนะ มันทำบ่อยๆจิตใจมันจะหนักแน่นมั่นคงตั้งมัน่นมันก็เกิดสมาธิขึ้นมาเพราะนั้นสมาธิไม่ใช่เปนนั่งนิ่งๆหลับตาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่ใช่นะสมาธิคือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นพร้อมที่จะทำการทำงานแล้วเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้เราจะได้ทำกันทั้งวันเราจะเห็นอาการต่างๆของกายของใจมันแสดงออกมา อาการปวดอาการเมื่อยคขั้นเนื้อคขั้นตัวผิวกระหายนะปวดหนักปวดเบานะนี่คืออาการของกายที่มันจะแสดงเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่มันแสดงออกมานอกจากนั้นก็ยังมีจิตที่มันคิดนึกฟุ้งซ่านไปเรื่องราวต่างๆนานาที่มันจะแสดงตัวออกมาคิดเรื่องเก่า คิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตย้อนระลึกไปถึงเรื่องเก่าๆบ้างวิตกกังวลกับอนาคตบ้างจบไปแล้วจะไปทำอะไรดีจะเรียนต่อดีไหมเรียนต่อปิญญาโทรหรือว่าจะไปเรียนเนดีนะหรือจะไปทำงานนะไปเรียนต่อเนสักออพอให้ได้สามารถที่จะไปเป็นสอบผู้พิพากษาอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วิตกกังวล เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับมันเรื่องนั้นให้ใจมีสติอยู่กับกายให้อยู่กับปัจจุบันนี้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาที่คิดหายเหตุหาผลนะแต่เป็นปัญญาที่เห็นอาการของกายของใจที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแปลปรวนเปลี่ยนแปลง ไม่ของที่ไม่ของตัวไม่อยู่ในอำนาจของเราอันนี้เป็นปัญญาชนิดที่อยู่เหนือความคิดหายเหตุอาลนก็เรียกว่าปัญญาเหนือคิดก็ได้เพราะนั้นการศึกษาการปฏิบัติเราจะไม่ใช้ความคิดเลยใช้ความรู้สึกตัวเพราะนั้นเพียงแค่สติตัวเดียวเนี้จะทาให้เกิดศีลสมาธิและปัญญาพร้อมกันไปเลยไตรสิกขาซึ่งตรงนี้แหละ น่าเป็นการศึกษาที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาเพียงแค่เราทำสติให้มันต่อเนื่องวันนี้ลองดูทั้งวันโดยไม่ต้องไปหวังนะว่ามันจะสงบมันจะสบายวันนี้คุณจะเจออาการต่างๆที่มันน่าเบื่อที่สุดง่วงที่สุดปวดเมื่อยที่สุด ตรงนั้นน่ะเขามาให้เราเรียนรู้เป็นโจทย์ที่เราจะแก้ทั้งง่วงเราจะแก้ยังไงถ้าปวดเมื่อยเราจะแก้ยังไงเออมันต้องใช้ปัญญาบางคนเนี่ยนะปวดเมื่อยหนีเลยไม่เอาแล้วเบื่อไม่สู้แล้วบางคนง่วงนี่กลับไปนอนเลยนะถ้าไม่มีใครดูแลไม่มีกัลยาณมิตรคอยชักจูงคนที่มาใหม่ๆที่นี่นะ ถ้าอินทรีย์ลูกหนูนะอ่อนแอนะเจอความง่วงเดียวขับไปนอนแล้วไม่สู้แล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้มันเราเจนมันมีความง่วงก็มีความตื่นเรียวกว่ามีการเกิดและมีการดับมีความเกิดมีความเสื่อมเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวง่วงวันนี้มันจะง่วงมากกว่าตื่น สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นความจริงของกายของใจปัญญามจะเกิดตรงนี้ปัญญาก็คือรอบรู้กองสังขารคำว่าสังขารในที่นี้คือสิ่งที่ปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นกายเป็นใจอย่างที่เราสาธยายมนไปนะว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ตรงนี้เราไม่ต้องไปจดจมามันนะแต่ให้เราสัมผัสด้วยความรู้สึกตัวเห็นมันและไม่ยอมมันวันนี้ง่วงจะไม่กลับไปกุฏิเลยจะอยู่ตรงนี้เลยกับมันดูสักตั้งหนึ่งนะเราจะได้เข้มแข็งขึ้นเขาบอกว่าปลาที่ตายเนี่ยมันจะลอยไปตามน้าแต่ปลาที่เป็ น, นมันจะว่ายทวนน้ำ ความเข้มแข็งเกิดจากการที่เราเจอทุกข์แล้วเราสามารถที่จะผ่านทุกข์ได้ความง่วง เ, เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งนะที่มันจะแสดงออกมาแล้วเราก็ไม่ยอมมันนะเราพยายามที่จะแก้ไขนะเอาชนะมันนี่เป็นอาการของ <c oughs> ของกายของใจในเบื้องต้นเลยที่เราจะต้องเจอวันนี้นะแล้วเราพยายามแก้ไขด้วยการเอาการเคลื่อนไหวของกายมาช่วย เช่นนั่งยกมือแล้วมันง่วงขึ้นมาให้ลุกเดินอย่าไปนั่งซึมอยู่กับมันนะบางคนก็จะมีเหตุผลว่าอเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยแปลกที่ขอสักงีบเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะนิกิเลตมันพานล้นะเพราะนั้นอย่าไปยอมจำนนมันนะต้องตื่นนะปลุกตัวเองเราเป็นลูกพระเจ้าเราไม่ใช่ลูกพญ า, นะานาคพญานาคมันจะหลับ ตอนที่พระเจ้าจะตัดสรุ้หลังจากฉันข้าวนางสุชาดาแล้วก็เอาถาดทองเนี่ยไปอธิษฐานที่แม่น้ำเนรัญชราว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรู้ขอให้ถาดไปนี้ลอยทวนกระแสน้าขึ้นไปปรากฏว่าพออธิฐานเสร็จวางถาดเนี่ยลอยทวนกระแสน้าขึ้นไปเลยไปถึงต้นน้ำตกไปที่บาดาล ไปโดนหัวพญานาคซึ่งหลับมาเป็นพันปีที่ใต้บาดาลมีถาดทองเนี่ยอยู่สามใบแล้วคือพุทธเจ้าก่อนที่องค์ที่สี่เนี่ยจะมาเนี่ยมันมีมาละสามองค์พญานาคก็บอกโอ้จะมีคนตัดสรุมขึ้นมาอีกองค์นึงแล้วเนาะแล้วก็หลับต่อพญานาคคือจะหลับวันนี้เราจะเห็นระหว่างพญานาค ก, กับพุท ธ, ธะในตัวเรา ถ้าเราทำแล้วง่วงหลับง่วงนอนนั่นคือนั่นแนหะพญานาะมันครอบงา ม, มันสิงแต่เมื่อไรที่เราตื่นนั่นใจเราเป็นพุทธะใจที่เรื่องเาตื่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้เลยนะจะเห็นแลยพุทธะหรือว่าพญานาะพุทธะหรือไสยศาสตร์พุทธศาสตร์คือตื่นไสยศาสตร์คือหลับไม่รู้เรื่องเลยงกง่วงเลยขนาดเนี้ยก็อาจจะมีอยู่นะถ้าใครง่วงหลับง่งนอนปกตัว่างเงี้ตื่นนะ เออตื่นตัวหน่อยขยับไม้ขยับมือคิงนิ้วมือเล่นก็ไะดะ้รูปเนื้อรูปตัวก็ไดะ้นะอย่าไปนั่งซึมอยู่ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติเนะี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆนะเพียงแต่ว่าเราจะทำกันหรือไม่ทำเราจะเห็นประโยชน์หรือไม่เห็นอาตมาร ะ, ะลึกถึงสมัยเมื่อครั้งแรกนะที่ไปศึกษาเรื่องนี้ประมาณปีร พี่สุพวรรณกรีนเนี่ยพาไปที่วัดโพธิสวัดถ้ำโพธิสัตว์จังหวัดสบบระบุรีไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยพี่เ็าชวนไปกับไปอย่างนั้นนะไปอยู่เจ็ดวันนะไปนั่งฝึกกรรมฐานแบบใช้ลมหายใจอนาปนสติครั้งแรกก็ไม่ใครชอบมาทำอะไรก็ไม่รู้อดข้าวอดนอนแต่เมื่อเราได้ฝึกไปเนี่ย ปรากฏว่ามันได้มีโอกาสสัมผัสกับความสงบในจิตในใจมีความปิติซาบซ่านขึ้นมาในจิตในใจโอ้มันมีความสุขชนิดนี้ด้วยเหรอเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะตรงนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะนั้นครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของใครบางคนนะที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเราและความสุขชนิดนี้ ไม่มีขายใน7ซเนอเวนะไม่มีขายในโลตัสนะไม่มีขายในเมเจอร์ซินิเพ็กหรือว่าโรงหนังโรงละครทั้งหลายแต่เราจะต้องทำเองและเนี่ยเป็นโอกาสพิเศษแล้วล่ะน้าทีทองของชีวิตละ ว, วันนี้เต็มที่เลยนะพยายามอาจารย์ดงศิลนั่นพูดอะไรฟังแล้วก็ปฏิบัติตาม อย่าไปเอาทิฐิมานะว่าเรานจบปริญญาตีแล้วเราเป็นบัณฑิตแล้วจะเป็นบัณฑิตแล้วคนที่มีมานะทิฐิมากก็ปิดกั้นใจไม่รับเรื่องใหม่ๆอันนี้ก็ไม่เรียกบัณฑิตก็เรียกว่าคนคนเขลาคนพานคนงง่านคนโง่พูดง่ายๆนะไม่รับความรู้ใหม่ๆเปะนั้น บัณฑิตที่แท้จริงเนี่ยก็คือคนที่พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นบัณฑิตคือคนที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนและคนทั่วไปไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราเห็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงอัตมาเท่าที่นึกๆึกได้นะพวกเราจะไม่ไม่รู้จักก็ได้ เป็นทนายแม็กซไซชื่อทองใบทองเปล่าเคยได้ยินไหมคนนี้เขาช่วยคนยากคนจนนะแล้วชีวิตของเขาเนี่ยก็ไม่ได้หรูหราอะไรแต่เขามีความสุขกับการช่วยคนที่เดือดร้อนยากจนแล้วไม่มีทนายเขาไปช่วยเลยโดยที่เขาไม่คิดเงินเลยนะแล้วเขาก็อยู่แบบสมถะมากเสียดายก็ตายไปแล้วนะอาจารย์ปีดีพนมยงเนี่ยสมัยที่ท่านยังเป็น นักกฎหมายม่ใหม่เนี่ยท่านไปช่วยคดีคดีหนึ่งจำไม่ได้นะช่วยคนยากคนจนเนี่ย น, นี่เป็นเรื่องที่น่าน่าศึกษาและน่าเอาเป็นแบบอย่างาคุณก้านารงจันทิกเลขาทธิการปรปรชสามารถที่จะเอานักการเมืองที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจมากขายหุ้นโดยไม่เสียภาษีเลย แล้วก็แอบแฝงซิกซกมากมายจนสุดท้ายโดนตัดสินต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้ไม่สามารถจริงๆริงให้เข้ามาได้แต่ไม่ยอมเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องที่เราเองที่เป็นนักกฎหมายต่อไปในอนาคตเนี่ยนอกจากเรามีวิชาชีพแล้วขอให้เรามีวิชาชีวิตที่เราจะได้ฝึกฝนกันวันเนี้ยทั้งวัน น่าจะได้ติดเนื้อติดตัวไปบ้างหรือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนที่ได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ซึ่งเมื่อวานท่านอาจาร์ทรงศิลป์ก็พูดไปแล้วมันเป็นวิชาสุดยอดของมนุษย์วิชาสุดยอดของมนุษย์ที่น่าเสียดายมากการศึกษาไม่ได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในหลักสูตรเพราะเราไปเรียนแบบตะวันตกแล้วก็ตัดเรื่องนี้ไป ในอนาคตคนไทยจะเรียนพุทธศาสนาจากฝรั่งเพราะตอนนี้ที่ยุโรปที่อเมริกาเนี่ยสนใจเรื่องพวกนี้มากแล้วเอาจริงเอาจังเพราะเขาเห็นแล้วว่าความรู้ที่เขามีวิชาการที่เขามีมันไม่สมบูรณ์เขายังเครียดกันอยู่ยังมีปัญหาทางจิตทางใจอยู่คนไทยแต่ก่อนเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้เขาเรียกสยามเมืองยิ้ม嘛แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่สยามมืองยิ้มแล้ว สยามหน้าบึ้งสยามเครียดนะเพราะเราไม่เราขาดเรื่องนี้ไปเพราะนั้นอันนี้น เ, นเรามาเติมเต็มนะส่วนที่ขาดนะก็ให้ตั้งใจนะในการที่จะรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านจันทรรงสินจะได้พาปฏิบัติเนะาะอะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออนุโมทนานะกับคณะอาจารย์แล้วก็นักศึกษา ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมนะที่วัดป่าสุขโ ต, โตในช่วงนี้ก็ขอให้ความตั้งใจความศรัทธานะที่เรามีหรือถ้าไม่มีก็ลองทำให้มันมีขึ้นมาให้มีความศรัทธามีความเพียรนะมีสติมีสมาธิและปัญญานะประกอบกัน เพื่อให้เราได้มารู้เท่าทันกายใจของเราอาการต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ปัญญาที่มีให้มันพอกพืนขึ้นเป็นปัญญาพุทธะที่จะรู้เท่ารู้ทันความทุกข์แล้วก็หาทางออกจากทุกข์ได้ทำให้ชีวิตเราพบกับความสุขเกษมสารซึ่งเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาในในวันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร